ธรรมะจากพระผู้รู้ตอนที่11คําคำถามแรกและคำถามที่สองตอบไว้เมื่อ9กกรกฎาคมพุทธศักราช2542โดยสันตินันหรือพระอาจารย์ปราโมดปราโมชโชในปัจจุบันถ้าวันวันรอแต่รู้สึกว่าทุกอย่างดีน่าทึ่งน่าสนใจมีความสุขไปหมดละคะ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 าอ ค, อคาถามที่สี่ตอบไว้เมื่อ <ไป S 1> 13กรกฎาคมพุทธศักราช2542 <ไป S 1> โดยสันตินันหรือพระอาจารย์ปราโมช์ปาโมชโชในปัจจุบันถามการมุ่งทำวิปัสสนาอย่างเดียวจะมีผลดีกว่าการทำสมถะไปด้วยหรือไม่ครับตอบหากรู้สึกล้า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 จะเพียนน้องใจไปสู่ฟังฟัง